วันโกนซึ่งทางวัดป่าสุกโตก็ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งคือเป็นวันที่คนในวัดจะร่วมแรงร่วมใจกันสามัคคีเพื่อพัฒนาวัดซึ่งครึ่งเดือนเราก็จะทำเป็นครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่งานใหญ่เหมือนกันคือว่าทำความสะอาดสาลาหน้าทำความสะอาดเพดานให้สะอาดซึ่งใช้เวลาจะสองสามวัน ปีหนึ่งก็จะทำเงินแค่ครั้งเดียวซึ่งสาลาหน้าเป็นสถานที่ญาติโยมมาใช้สอยกันมากเลยไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมต่างๆแล้วก็เป็นเป็นสถานที่ที่พระเราจะต้องฉันอาหารซึ่งเป็นจุดสําคัญของวัดอาจจะสำคัญที่สุดก็ได้เพราะถ้าเราไม่มีอาหารทานเราก็ไม่มีแรงปฏิบททัติธรรมหรือทำอย่างอื่นคือวันนี้นั้นอาตมาก็ถือโอกาสได้ ได้พูดเพราะเตรียมเรื่องมาพูดเรื่องนี้อยู่ตามหลักมีคิวขอจารีสารเพื่อจะภาษาวันนี้ไม่อยู่จะท่องก่อนเกี่ยวกับการทำงานให้ฟังการทำงานคือการปฏิบัติธรรมอันการงานคือคุณค่าของมนุษย์ของมีเกียรติสูงสุดอย่าสงสยัยถ้าสดุกด้วยการงานเบิกบานใจไม่เท่าไรได้รู้ทำฉ่ำซึ้งจริง เพราะการงานคือตัวการประพฤติทำกุศลละกรรมก้้มปนมามีค่ายิ่งถ้าจะเปรียบก็เปรียบคนฉลาดยิงนัดเดียววิ่งเก็บนกหลายพกมาคือการงานนั้นต้องทำด้วยสติมีสมาธิขันตีมีอุตสามีสัจจะมีธรรมะมีปัญญามีศรัทธาก้าหารรักงานจริงก่อนนี้ท่านอาจารย์พุทธทาสแต่งไว้ เคยกำลังใจคนทํางานการทํางานสามารถปฏิบัติทําได้เป็นการลดความเห็นแก่ตัวขณะที่เราทํางานเราจะมีความสุขหล่อเลี้ยงอยู่ถ้าวางใจเป็นแต่ถ้าเราวางใจไม่เป็นเราเหมือนตกระลอกขณะทํางานคือเมื่อไหร่งานจะเสร็จสัทีคือจิตจะเป็นอกุศลแล้วก็แล้วก็วกไม่ชอบซึ่งเราทํางานเป็นเนี่ยเราจะทําแบบมีความสุขมีมีปิติหล่อเลี้ยงขนาดฝาดใบไม้ไป พอเกี้ยงปุ๊บเราก็มีความสุขแล้วถูสาราสารากี้ยงเราก็มีความสุขสุขขนาดเดียวนั้นเลยนะไม่ต้องรอตอนอื่นถ้าเราเช็ดถูเพดานเพดานสะอาดเราก็มีความสุขได้ทันทีเลยเราเห็นแล้วก็สบายใจล้วแต่ถ้าเราวางใจไม่เป็นเราก็ตกอารมณ์แล้วทําไมก็เหนื่อยแล้วก็นสู้เวลาไปทำอื่นไม่ได้ถ้าเราวางใจเป็นทํางานเราก็มีความสุขแล้วก็เป็นสวรรค์ทันทีเลยไม่ต้องรอตอนตายอ่ะ ทำมากก็ได้หนี้สงมากได้บุญมากอย่างนายบุญกิริยาวิถุสิบข้อที่ห้าคือวียวัจจะไมาการช่วยเหลือคนบุญข้อนี้เป็ข้อที่คนบองคับอย่างคนมาวัดบางคนเนี่ยมีโอกาสามาวัดถ้าฉลาดนะจะได้บุญเยอะเลยเจอขยะเราก็ช่วยเก็บแต่บางคนไม่รู้ก็ขวดน้ํามาทิ้งก็มีกล่องนมกินรล้วเฟี้ยงเลยซึ่งคนงนี้นอกจากไม่ได้บุญแล้วยังบาปด้วย ถ้าเกิดชาติหน้ามีจริงก็จะไปอยู่ในที่ซกมกซกมก ค, คือวางจิตไว้ผิดแต่ละคนที่เห็นอะไรเห็นเห็นอะไรสุกกรปกแล้วเก็บนะเกิดชาติหน้าชาติหน้าถ้ามีนะก็จะไปอยู่ในที่สวยงามจเจริญหูจเจริญตาถ้าวางใจให้เป็นเราไปเกิดในชาติหน้าเราอยู่ที่ซกมกอาจจะเกิดในสลัมหรือไม่เกิดที่ชุบชนแออัดอยู่กับคับแค้นใจเพราะบุญอยู่ที่จิตเราเนี่ยจิตเราบันทึกไว้อย่างบางคนชอบให้ทาน เกิดมาชาติหน้าก็จะรวยถ้าใจกว้างนะถ้าคนขี้เหนียวชอบรับเนี่ยเกิดชาติหน้าคืออายไปขอทานก็ได้เพราะว่าคนขี้เหนียวจะมีจิตโลภอยู่ตัวโลภเนี่ยมันจะไม่อยากให้ใครมันอยากได้อย่างเดียวเพราะจิตเนี่ยสําคัญมากถ้าเราทำยังไงเราก็ได้อย่างนั้นแหละเราฝึกฝึกให้เป็นคนแบบใจดีไม่เห็นแค่ตัวหรือฝึกให้เป็นคนเห็นแค่ตัวก็ได้ถ้าเห็นแค่ตัวก็พยายามรับของมากเป็นขอทานนะรับของพยายามพยายามแบบว่าเห็นก็ได้น่ะ เดี๋ยวเราได้เป็นขอทานแน่นอนไม่ต้องห่วงพราเศรษฐีโอกาสเป็นขอทานก็มีสูงมากถ้าพอโลภโลภโลภเนี่ยจะยักมะกขี้เหนียวแต่และคนใจกว้างเกิดชาติหน้าเนี่ยก็สบายเพราะจิตมันเนี่ยจิตใหญ่พอจิตใหญ่เนี่ยมันก็มีแต่ให้ให้ก็ไม่เสียดายด้วยต้องนขี้เหนียวให้ของใครชิ้นหนึ่งก็โหคิดแล้วคิดอีกมีความเดือดร้อนทุกข์ิ่งให้แล้วเราจะได้ผลตอบแทนคืนมาหรือไม่หรือทํางานให้ใครเราจะได้ผลประโยชน์หรือเปล่า ซึ่งผิดจากคนที่ทํางานโดยไม่หวังผลประโยชน์ถึงทําไปแล้วมีความสุขอยวนั้นเลยเขาจะให้เราหรือไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเราก็มีปิติหล่อเลี้ยงแล้วถ้าเราได้ช่วยเขาคือทําคื อ, ค, อคือว่าช่วยด้วยความว่างอันนี้ได้บุญมากแต่ถ้าช่วยหวังผลประโยชน์เนี่ยได้บุญ น, น้อยแล้วคนก็ชอบแบบนี้ด้วยนะคือคิดหวังผลประโยชน์หวังจะได้ไม่อยา ก, กะเสียแค่คิดจะเอานี่เราก็ทุกข์แล้วผิดจากคนที่คิดจะให้ อย่างอธรบายจาท่องกรที่ฟังกรหนึ่งกร น, นี้ก็แต่งไว้ดีควรดมเพลินซึ่งทานคือการให้ท่านว่าไว้สวยงามสามสถานหนึ่งให้ของสองธรรมะชนะมารอภัยทานที่สามงามเหลือเกินเป็นผู้ให้ดีกว่าเป็นยาจกมีคนยกคนรักบีศักดิ์ศรีเป็นผู้ของอ้อเขาไม่เข้าทีเสียศักดิ์ศรีคนชัง ลังเกียจเราสองฐานะวิจัยให้เห็นแจ้งอย่าเครือบแคงกังขาอย่างโง่เขาเป็นผู้ขอผู้ให้ตามใจเราจะเลือกเอาอย่างไหนคิดให้ดีฟาสุกิแทสจริงคือการให้ไม่ใช่การรับเพราะว่าการให้เนี่ยจิตเราจะเบาเหมือนกับว่าปล่อยวางด้วยจิตวางแล้วก็สบายแต่ถ้าให้ได้หนักนะบางทีเราคิดอยากให้เงินเดือนออก คิดอยาให้ใครให้ของเราเนี่ยหรือเราดิ้นรนหาเงินหรือหรือหาอะไรสักอย่างเราจะทุกข์กันทีเลยเหรอตกรกแ ล, ะ ล, ะละ้วเพราะจิตเราจะดินน้นรนเพื่อหาผลประโยชน์เข้าตัวซึ่งคนที่ไม่ดิ้นรนจะมีความสุขกว่าวันวันหนึน่งเราร้อยเหตุปัจจัยมาถึงข้าได้ก็ได้เองถึงข้าเสียก็เสียไปชีวิตเราก็ก็เบาโปร่งไม่ค่อยจะทุกข์กับเรื่องพวกนี้ทําตามหน้าที่ประจําวันไปใครมีหน้าที่อะไรก็ทําแบบนั้นไป ผมอาจะเล่าทิฏฐายเรื่องหนึ่งแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เชิงนิฏฐานแล้วแล้วก็ตัวตนหลักฐานมีอยู่จริงหมดซึ่งเกิดในประเทศญี่ปุ่นแต่ก็เหตุการณ์ก็นานมาแล้วถ้าใครไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ยทางตอนใต้มีจังหวัดอยู่จังหวัดหนึ่งคือจังหวัดบูเซ็นจังหวัดนี้เมื่อก่อนจะเป็นภูเขาสูงแล้วก็การข่มพนาคมไม่สะดวกแต่ตอนนี้จะมีอุโมงค์ลอดภูเขา ซึ่งมีความกว้างประมาณ30ฟุตสูงประมาณ20ฟุตความยาวก็ประมาณ 2,800 กว่าฟุตซึ่งก็ประมาณเกื อ, กอบๆกิโลนึงหรือครึ่งหนึ่งของขุนตาลที่เชียงใหม่แต่ใครจะหารู้ไหมว่ามีคนอยู่คนหนึ่งขุดขุดอุโมงด้วยมือเปล่าใช้เวลา30ปีเดีย๋ยวละมาจะเล่าให้ฟังว่าผู้คนเราเนี่ย สามารถมีแรงบันดาลใจสามารถเจาะภูเขาลูกหึงได้มีความเพียรขนาดไหนถึงเจาะได้สามสิบปีซึ่งเจาะได้มือเปล่าด้วยนะใชส้สกัดกับค้อนเป็นผลงานของพระรูปหนึ่งชื่อซินไกพระรูปนี้ก็เป็นอยู่ไปตอนแรกตอนหนุ่มๆก็ยังไปอยู่กับบ้านขุนานางหรือเป็นคนรับใช้แล้วตอนหลังได้ไปบปชูกับ ภรรยาของเจ้านายเข้าแล้วพอสามีของเจ้านายจัจบได้ก็พังมือไปทำร้ายจนถึงตายป้อะกันตัวคื อ, คอว่าทางผัวของผู้หญิงที่เป็นชู้เนี่ยจะทำร้ายพอฆ่าเขาตายบุก๊ก็ต้องหนีพอหนีตอนหลังก็กลับมาบวชมาบวชไปแล้วท่านก็สานึกผิดคือว่าจิตที่ไปฆ่าคนตายเขาอยากทำความดีชดใช้ ท่านก็เห็นเขาลูกนี่ยขวางทางคือการคนมนาคมไม่สะดวกคือแต่ละปีเดียจะมีคนตกเขาตายมากเลยเพราะว่าถ้ามีหมอกลงหรือฝนตกแล้วภูเขาเดียโคดเคี้ยวคือภูเขาที่เป็นเสือกยาวกวางทางเข้าเข้าเข้าไปในจังหวัดหรือตัวเมืองคือคนต้องเดินอ้อมคือขึ้นไม่ได้เพราะเป็นภูเขาที่ว่าสูงชันหานหลังปีลําบากมากต้องเดินอ้อมอ้อมมาไกลมากเลย ท่านก็เห็นความสาคัญตัวนี้เห็นว่าถ้าท่านสามารถเจาะภูเขาได้เนี่ยคนก็เดินลัดตรงไ่ได้เลยไม่ต้องไปเดินอ้อมอ้อ ม, มปิีนเขาซึ่งอาจจะตกเขาได้แล้วก็ลาบากมากท่านตัดสินใจยังไงเป็นการลวเราจะเราจะขุดเจาะอุโมงค์ตอนแรกที่ท่านคิดเนี่ยแต่ท่านก็ทำนะท่านก็มาเจาะค่อยๆเอาซิลและค้อนมาสกัดตอนเช้าบินทบาท พอฉันอาหารเสร็จปุ๊บท่านก็มาทานทันทีเลยตแต่เช้ายันเย็นทําทุกวันไม่มีวันหยุดคนเดินผ่านไปมาก็ว่าท่านบ้าพ่าคนนี้เสียสติแล้วคือคือทําในสิ่งที่ไม่มีใครเขาทํากันแล้วก็ไม่มีใครคิดว่าจะทําได้ด้วยแต่ท่านเป็นคนที่ตั้งใจทําจริงใครพูดอะไรท่านก็ไม่สนใจท่านก็ตั้งใจทําให้สําเร็จท่านก็สกัดไปวันแล้ววันเล่าทําจาก เป็นหลวงพี่ก็กลายเป็นหลวงพ่อห้าสิบถึงห้าสิบกว่ากว่าถึงเสร็จสามสิบปีคือขุดเจาะทุกวันแต่เจาะด้วยความสุขนะไม่ได้เจาะด้วยความทุกข์คือถ้าเจาะด้วยความทุกข์ก็ทำไม่ได้หรอกคือท่านเนี่ยสวนหัวใจสิงหัวใจเพชรคือตั้งใจทำเพื่อเห็นประโยชน์ของมหาชนคือทำสำเร็จแล้วคนทั่วไปได้ประโยชน์ท่านยอมเสียหลัเลยชีวิตนี้อุทิศให้กับการเจาะ อ, อุโมงค์ ถึงถ้าคนไม่ฝึกธรรมะจะทำไม่ได้เลยเพราะต้องเสียสละแรงกายแรงใจแล้วต้องมีอุดมการ์ด้วยว่าต้องทำให้สําเร็จจะไม่ย่อท้อคือถ้าย่อท้อปุ๊บหรือหมดแรงใจก็ทําไม่ได้ต้องเลิกเหมือนกันตั้งเป้าไว้สูงก็ต้องทําให้สําเร็จคือมีอิธิบาสีฉันทาวิริยะจิตตะวิบังสาถ้ า, าก็ทําจนสําเร็จแต่ก็มีเรื่องเล่า ว, ว่าก่อนที่จะสําเร็จเนะี่ยประมาณปีกว่าก็มีลูกชาย ของคนที่ถูกฆ่าตายซึ่งก็เป็นสบูไล่แหละคือฝึกมาเพืออ่อจะล้างแค้นแทนพ่อก็ตามมาจะเจอท่านแต่ก็รู้สึกตกใจตรงที่ว่ามาเจอท่านในคาพระความที่จะล้างแค้นก็เลยลองถามว่าท่านคือสินไก่หรือเปล่าท่านก็ยอมรับว่าใช่แล้วก็ท่านก็รู้ว่าเนี่ยคือลูกของลูกของคนที่ท่านฆ่าจะมาล้างแค้น ท่านก็ผัดผ่อนบอกขอเวลาให้จุดให้ให้ใหขุดเจาะอุโมงนี้ให้สําเร็จก่อนแล้วท่านจะพอเสร็จแล้วท่านจะยอมให้ตัดหัวซึ่งชายหนุ่มคนนี้ก็เห็นว่าท่านก็อายุมากแล้วแล้วก็ไม่ได้คิดไปไหนก็เลยวนเวียนดูแรกๆก็ไม่ไว้ใจก็เฝ้าอยู่เรื่อยพออยู่ไปอยู่มาก็คุยกันบ้างเห็นท่านทํา กลวถ้าํามไม่เสร็จก็เลยช่วยท่านขุดเพื่อจะได้ค่าท่านไวไวคือต่างต่างคนต่างมีสัญญาต่อกันจากตอนแรกคิดจะ ค, คิดล้างแค้แล้วกลายไปช่วยท่านขุดก็ขุดไปก็ทำให้เสร็จเร็วขึ้นแล้วท่านก็สอนชายหนุ่มให้วางใจยังไงในการทำงานด้วยไม่ให้ตัวเองทุกคือให้ตั้งิตอยู่กับปัจจุบันขณะขุดไปคอตอกลงสิวก็รู้สึกตัวรู้สึกตัว อันนี้เข้ากับหลวงพ่อเทียนเพราะว่าหลวงพ่อเทียนก็เน้นการเจริญสิเคลื่อนไหวซึ่งเข้ากัได้กบการทำงานคือทาไปทุกวันทุกวันเนี่ยจิตก็อยู่กับปัจจุบันจิตไม่สอดสายไปในอดีตไม่คิดถึงเรื่องอนาคตคือทำทำทำเฉพาะปัจจุบันเท่านั้นพอทำไปทามาทุกวันก็ขูดจนทะลุได้พอทะลุเสร็จปุ๊บหลวงพ่อศิลกายก็ บอกถึงเวลาแล้วเราจะให้ท่านตัดคอเราเพื่อจะได้หมดหมดหนี้ต่อกันซะทีใช้หนุ่มก็รีบกราบท่านบอกหลวงพ่อผมจะตัดคออาจารย์ที่สอนทำให้ผมได้ยังไงทุกวันนี้ผมจิตใจผมไม่คิดล้างแค้หลวงพ่อแล้วหลวงพ่อสอนทำให้ผมให้อยู่ปัจจุบันแล้วก็ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นเป็นน้ำใจของการเสียละถ้าผมฆ่า หลวงพ่อก็เท่ า, า่าาจาร์ตัวเองซึ่งหาไปได้ในโลกนี้อีกแล้วตกลงก็ความแค้นก็ที่มีต่อกันก็เป็นการโหสิกรรมนิทานเรื่องนี้ก็จบแบบแฮปปี้ทุกฝ่ายคือท่านสินไกรก็ได้ทำประโยชน์สูงสุดคือสามารถเจาะอุโมงค์สำเร็จเจาะอุโมงค์รูปเขานีไม่ใช่เรื่องเล็กนะแค่เราแค่เราแค่คิดก็ไม่อยากจะคิดแล้ว สาสิบปีนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แป๊บแป๊บนานมากสามสิบปีเนี่ยครึ่งชีวิตครึ่งค้อนชีวิตเลยละพอถ้าทำสำเร็จปุ๊บชื่อเสียงท่านก็ยังอยู่ต่อไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นเป็นในเนี่ยเป็นในลูกสารีคนรุ่นหลังด้วยของการทำความเพียนว่าหาคนทำเพียรยางที่ยากแล้วพะมานําเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยเพื่อให้ให้พวก พระหรือโยมเนี่ยได้เห็นว่าคนที่คนที่พิการใหญ่แบบนี้มีอยู่แล้วทําให้สําเร็จไ ด, ได้คือบางคนเนี่ยถ้าเรามุ่งมั่นอย่างนั้นเราก็ทําสําเร็จได้แต่ถ้าคนใจส่อนะเราก็ล้มเลิกล้มคือ ล, ล้มกลางคันเลยถ้าทําให้สําเร็จเนี่ยเราก็ต้องต้องเลยต้องฝืนนะใจจะต้องไม่ต้องไม่ยออ่อท้อใครพูดอะไรเราก็ต้องไม่ท้อใจ ง, ง่าย เราก็มีกำลังใจทำต่อในการทํางานซึ่งก็โยงกันได้กับงานที่จะทําในวันนี้ซึ่งก็เป็นงานใหญ่ซึ่งต้องใช้เวลาสองสามวันซึ่งปีนึงมีครั้งเดียวแล้วและเพื่อนเพื่อนพาร์บางท่านก็จะสึกออกไปแล้วบางคนก็เหลื อ, ลอไม่ได้เดือนเดียวก็จะออกพรรษาซึ่งถ้าท่านตั้งใจตั้งใจทําก็จะถือว่าเป็นการสร้างอันนี้สงหญ่ เพราะว่าขนายเราสึกออกไปเนี่ยเราคิดมาเราก็สบายใจแล้วครั้งหนึ่งเราเคยช่วยทําความสะอาดสารหน้าให้สดสใสสวยงามซึ่งอันนี้จะเป็นรอยประทับใจไปตลอดชีวิตเลยแต่ถ้าเราเป็นคนขี้เกียจเห็นกค่ตัวนะสัะกวันเราคิดได้เราก็จะโอ้โหเราได้เสียชาติเกิดมีโอกาสบวชมาอยู่วัดป่าสุโกโตเราได้เห็นกันตัวมากไม่ฝาดก็ไม่อยากจับถึงเวลาเราก็ เอาเปียบเพื่อนอาบาด ร, รีบรีบรีบเอาบาดฉันเสร็จก็รีบอาบาดไปเก็บแล้วเราจะไม่ทําความสะอาดสาลาหน้าแล้วเราก็จะหลบหลีกงานทุกชนิดคือเจ้าเล่กินน้าเสร็จเราก็ใหเพื่อนกอกแล้วก็อะไรก็ให้เพื่อนทำหมดบูอสนะเกยเพื่อเราก็มาทีหลังให้เพื่อนปูคือเราเราเจ้าเล่หลบหลบหลีกงานทั่วเไปซึ่งตายไปตกกับโลกแน่นอน บุญก็ไม่มีหลวงพ่อบอกเป็นฝ่ายตู้ฝ่ายตู้รออยู่นะที่อามาไม่ได้เจตนาว่าว่าพระหรือว่าใครแต่อามามองเห็นตัวนี้อยู่ว่าถ้าระวางจิตผิดเนี่ยประตูนรกรอเราอยู่แต่ถ้าวางใจเป็นเนี่ยประตูสวรรค์รอเราอยู่ฝ่ายตู้ก็รอเราอยู่เพราะว่าของฟรีไม่มีในโลกโยมเข้าถวายอาหารให้เราฉะให้เราฉานลงแรงเหนื่อยซึ่งเราต้องตอบแทนบุญคุณของวัด โดยการทํางานแล้วก็ช่วยเหลือเท่าที่เราจะช่วยได้เพราะว่าของฟรีไม่มีโลกแน่นั้นเราต้องเป็นนี่นี่ที่ใช้กับหลายชาติเลยมันก็ไม่หมดด้วยนั้นใครจะพระอย่าเพิ่งดีใจนะว่าเราเนี่ยได้บวชมากินของฟรีมีที่นอนสบายไม่ต้องทํางานอะไรหลบหลีกได้เดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แต่กรรมไม่ผลขึ้นมาเนี่ยชีวิตท่านจะตกต่ําตกละกรรมลําบากคือว่า ความสบายในวันนี้คือคือยาพิษในวันหน้าแต่คนลำบากในวันนี้ก็จะมีความสุขในวันหน้าบุญบุญนันทิสงเนี่ยจะเกิดจากการที่เราทําความดีเท่านั้นถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ได้อันนี้เป็นบุญใครบุญมันด้วยคือท่านสืกออกไปแล้วถ้าเรามีรอยประทับใจอันดีเราก็มีความสุขขึ้ น, นมาแล้วก็โอ้โหพื่มใจล้วเกิดตายขึ้นมาขณะนั้นแล้วก็คิดขึ้นมาได้เนี่ยก็ไปสวรรค์ ยิ่งคนทำงานบ้างเดี๋ยโอกาสจะไปสวรรค์ก็เยอะคือว่าเคยช่วยงานวัดงานใหญ่ๆสำเร็จช่วยกันขุดบ่อเก็บน้ำทำให้คนได้กินกันทำให้คนได้อาบกันทำให้วัดได้สวยงามคนมาเที่ยวหรือว่ามาได้ บ, บัติรมแล้วเกิดปิธิมีความสุขอันนี้เป็นรอยไปทับใจไ ป, ไปช่วยชีวิตเลวลาไฟดับเนี่ยเราก็ทำให้ไฟติดน้ำประปาไม่ไหลแล้วก็ทำให้ไหล น้ำรั่วน้ำแตกแล้วก็ซ่อมแซมให้ให้คนส่วนรวมได้ใช้เนี่ยเป็นบุญทั้งนั้นเลยถ้าเราคิดเป็นนะอย่างแม่ชีทำอาหารให้ให้พระหรือโยมทานกันเนี่ยถ้าเราวางใจเป็นเราจะมีความสุขเลยเราจะไม่เหนื่อยเลยเกิดชนะถ้ามีเนี่ยเราก็จะมีอาหารกินตลอดไม่มีอดเพราะว่าทุกคนได้ประโยชน์จากเราเป็นประโยชน์ของมหาชนการทำประโยชน์กับมหาชนเนี่ยเป็นบุญใหญ่แต่ถ้าทำกรรมเนี่ย ก็เป็นบุญใหญ่เหมือนกันทำกรรมต่อมหาชนร่วมเกินมหาชนกรรมนี้เป็นกรรมที่หนักมากถึงไม่ลงแล้วรถ ก, ก็ต้องตกตามชีวิตซึ่งผิดกับคนที่ทำบุญหรือทำประโยชน์กับมหาชนซึ่งจะเจริญรุ่งเรืองครับฟ้าดินเทวดาสารเสริญทีคนนู้นชมทีคนนี่ชมทีก็จเจริญแล้วแต่ถ้าเกิดคนไหนชั่วเลวร้ายก็มีคนสาบแช่งเทวดาฟ้าดินสาบแช่ง อันนี้ก็ตกต่ำแน่นอนชีวิตนี้ชาติหน้าถ้ามีเราก็เป็นขอทานยากจนค้นแค้นเกิดในในชาติทกูลต่ำอันนี้เห็นผลได้ตอนปัจจุบันนี่แหละขนาดทำงานเราเช็คได้ถ้าเราเป็นคนไม่เห็ น, นตัวคือการทำงานเนี่ยเป็นการแสดงน้ําใจต่อกันคือครึ่งเดือนเนี่ยเราจะเจอกันหนึ่งครั้งเราจะเห็นเลยว่าคนนี้มีน้าใจต่อกันแค่ไหนมีความเสียหลัแค่ไหน บางทีการทำงานอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างอาจจะขัดใจกันบ้างคือเป็นการเป็นการลดความเห็นตัวแล้วการสอบอารมณ์ด้วยถ้าเรามีมีการฝึกจิตที่ดีแล้วก็ผ่านได้ผ่านทุกอารมณ์แล้วก็สามารถรเผชิญกับงานหนักหรืองานเบาได้หมดโดยไม่ย่อท้อแล้วก็พอเราไม่เห็ น, นตัวปุ๊บความสุขก็จะเกิดในขณะทํางานโดยเราไม่ต้องไปทําอย่างอื่น ทำงานไปขึ้นสวรรค์ไปกับทํางานตกทํางานไปต ก, ปตกลกไปนี่ตรงข้ามกันเลยนะแค่ทําอย่างเดียวกันแหละแต่ว่าถ้าวางจิตผิดเนี่ยเราทํางานไปแล้วก็ตกลกไปล้วซึ่งความสุขเนี่ยอยู่ที่การวางใจก า, การวางใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญว่าอาจารย์เบสานเนี่ยจะาเลนพูดจะเน้นตัวนี้มากเลยเรามาเขียนธรรมะลงในเฟซบุ๊กเนี่ยก็จะเน้นเรื่องการวางใจให้เป็นซึ่งโดยมากคนจะวางใจกันผิด พอวางใจผิดปุ๊บก็คิดผิดพอคิดปุ๊บคิดผิดปุ๊บก็ปรุงแต่งผิดพอปรุงแต่งผิดนี่เราก็ทุกข์ละเพราะจิตนั้นจะวนเวียนหาทางออกไม่ได้แต่ถ้าวางใจเป็นปุ๊บเรามองในแง่บวกมองทุกอย่างดีอย่างที่อาจารย์ไปสานเคยพูดหลวงพ่อดีเนาะอะไรก็ดีหมดเนี่ยท่านจะไม่ค่อยทุกข์เลยหรือหรือหลวงพ่อฮาคูอินซึ่งท่านชอบพูดว่าอย่างนั้นเลอะอย่างนั้นเลอะเนะี่ย ทุกสถานการณ์ดีหมดแต่ถ้าวังใจได้ยังนั้นเราก็จะชีวิตเราก็จะไม่ทุกเจออะไรแล้วก็ดีหมดเราก็ไม่ดิ้นหลนด้วยไม่ดิ้นหลนขวนขวายทยานอยากพอยิ่งดิน้นแล้วก็ยิ่งทุกข์เพราะว่าคนที่ไม่ดินน้นคือคนมีความสุขอยู่กับปัจจุบันได้ก่อนของอาจารย์เพื่อท่ามอยู่ก่อนหนึ่งคือชื่อว่า การทำงานทำให้ชีวิตสดใสทำไมจะท่องให้ฟังอันการงานนั้นประเสริฐตรงที่สนุกยิ่งทำงานยิ่งเป็นสุขทุกสถานทำชีวิตให้สดใสใจเบิกบานอยู่ในงานประจำวันนั่นเองนาเมื่ออย่างนี้มีแต่คนวิมลจิตเย็นสนิท ด, ดวงใจไร้โทสะเกิดสังคมที่อุดมด้วยเมตตา อยากเรียกว่าทบรริกะสังคมนิยมผลของงานล้นเหลือเผื่อแผ่ทั่วสัตว์ทุกตัวใหญ่น้อยพลอยสุขสมทั้งเมืองเล็กเมืองใหญ่ได้ชื่นชมโลกระดมสุขวางทางนิพพานซึ่งก่อนนี้ท่าจารย์ผู้ท่านก็แต่งไว้ให้เราทำงานแล้วมีความสุขสนุกขณะทำงานอยู่กับปัจจุบันซึ่งหลวงปู่ติฏฐิทาน หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อพุทธทานเนี่ยจะมีความเห็นตรงกันอยู่อย่างหนึง่งว่าเราสามารถเจริญสติสร้างความรู้สึกตัวอยู่ในขณะทำงานได้ถ้าวางใจเป็นงานทุกทยูนิตถ้าใช้ฐานกายเนี่ยจะรู้สึกตัวได้แต่ถ้าเราวางใจให้เป็นเราก็ทำไปฟุ้งซ่านไปหรือไปคิดเรื่องอื่นซึ่งไม่อยู่กับปัจจุบันอันเนี้ยจะเป็นสาเหตุงการทุกคือว่าถ้าเราทางานเป็นนะเหมือนกับว่าเราเนี่ย ทำประโยชน์ตนเองด้วยทำประโยชน์ก่อส่วนรวมด้วยได้ประโยชน์สองอย่างเลยเหมือนกับว่าเหมือนไปเก็บยิงนกทีงได้หลายตัวอย่างที่ท่าอาจารย์พูดทาาพูดไว้เราทาให้เป็นเราก็ประโยชน์น้อยได้แค่ออกกําลังกายเท่านั้นเองหรือไม่ก็ทําแก้ทําแบบกลูเพื่อนว่าประโยชน์ไม่ค่อยมีเพราะมันไม่ได้ทํำด้วยใจอย่างเรามาไหว้พระสวดมนต์นนเนี่ยเท่ามาด้วยใจนะแบบไม่มีใครบังคับว่าท่านต้องมานะคนคนนั้นจะมีความสุข แต่ถ้าใครมาเพราะว่าถูกบังคับเนี่ย น, นี้ตกอโลกแล้วมาก็ไปเต็มใจแล้วก็เกียรติธรรมะคนฟังธรรมะด้วยความเต็มใจคนนั้นก็มีความสุขซึ่งคนที่ถูกบังคับกับคนที่เต็มใจได้ผลตรงข้ามถ้าใครคิดอย่างนี้ขอให้วางใจสมัยอย่างผมก็ไม่ได้คิดว่าใครแต่ผมพยายามชี้ฝ่าจริงให้เห็นซึ่งบางคนอาจจะมองไม่เห็นที่สีที่ผมพูดหรือการวางใจ คนที่ตั้งใจกับคนที่ถูกบังคับที่ตรงข้างเปนหมดเลยอย่างกลุ่มมาปฏิบัติธรรมเนี่ยโดนบังคับให้มาเนี่ยอันนี้ก็ไม่จริงใจคือเขามาแบบเดี๋ยวเขากลับกลับกลับบ้านแล้วแต่คนที่มาวัดเองเนี่ยมาถือศีลมามาปฏิบัติธรรมเองเนี่ยที่ทำตรงข้างแบบกลุ่มปฏิบัติที่มาแล้วก็ไปคือมาด้วยความจริงใจคือมีวินัยในตัววินัยพิเศษอย่างปฏิบัติธรรมหรือทำความดีเดี่ยวเราต้องเราจะต้องมีวินัยพิเศษ สมัยก่อนหลวงปู่มั่นท่านจะไม่ค่อยสอนโยมหรอกท่านจะสอนพระที่อุทิศอุทิศชีวิตและให้การบวชเลยคือตายเป็นตายอ่ะดี่เข้าป่าเข้าดงบางทีอดแยะคือระบากมากอาหารก็บางทีต้องอดหลายวันก็มีรู้ที่ชีวิตกันเลยแนละ้วสมัยก่อนเพราะหลวงปู่ ม, มั่นมองว่าโยมเนี่ยคือไม่จริงใจคือมาแบบมาแบบเย็บเย็บมาแบบว่าไม่ไม่ทุ่มเททั้งตัวท่านก็นไม่สอนท่านก็เน้นสอนพระ พาธที่สอนก็เน้นพาธที่สอนแบบยอมตายด้วยนะอยอมมอบชีวิตมอบกายถวายชีวิตให้แก่พระเจ้าถ้ า, าที่ว่ากลัวระบากท่านก็ไม่สอนอีกพอมาสมัยนี้หลวงพ่อเทียนก็ประยุกตสอนโยมด้วยเพราะโยมสามารถเจตสติไปใช้กับชีวิตปัจจุบันได้ซึ่งการเคลื่อนไหวประหลงวัฒน์เนี่ยใช้กับปัจจุบันได้จริงๆแล้วได้ผลด้วยขณะแปลงฟัน รู้สึกตัวล้างหน้ารู้สึกตัวฉันอาหารกำลังเคี้ยวอยู่รู้สึกตัวถ้าเราไม่รู้สึกตัวเราก็คิดเรื่องอื่นเพราะความคิดปรุงแต่งมันทํางานทั้งวันอยู่แล้วคือหลงแบบเป็นหน้าที่ของเขาอะ่ะที่ต้องปรุงแต่งเราเราู้สึกตัวทีนก็เราก็เจริญสติครั้งหนึง่งรู้สึกตัวร้อยครั้งก็เจอิญร้อยครั้งถ้าไม่รู้สึกตัวเลยก็หลงทั้งวันธรรมดาเราหลงทั้งวันอยู่แล้วแต่เราจะยอมรับหรือไม่นั่นเอง เราเรารู้สึกตัวเล็กๆแค่น้อยก็จะดีกวไม่รู้เลยรู้ขึ้นมาเองนะไม่ได้ไม่ได้ไตั้งใจ ย, ยกมือหรือหรือว่าทําไม่รู้นะเผลอปุ๊บรู้ปั๊บนั่นแหละอันนั้นแหละคือการเจิตติที่ถูกต้องหนึ่งครั้งถ้าทําบ่อยๆอินทรีย์แก่กล้าขึ้นก็จะรู้วันหนึ่งหลายครั้งอ้าวเผลอไปรู้ถูกตัวเองละรู้เองบางทีคิดจะดาา่าใครอ้าวแวบขึ้นมาแค่แค่ชื่อแค่นั่เอง เอกใจเรารู้สึกตัวแล้วเราก็ไม่ได่าล้วการรู้สึกตัวรู้เองได้แต่ถ้าเราฝึกถ้าเราไม่ฝึกเราก็เราก็ไม่รู้เราก็หลงไปพอใครพูดเรื่องอะไรก็ปรุงแต่งช่วยด้วยกลายเป็นเรื่องนั้นยาวเหยียดคือยาวเหยียดเลยนะการปรุงแต่งเนี่ยบางคนเนี่ยเราสามารถพูดลอยเพื่อนเนี่ยปรุงแต่งตามมาได้กาลังกำลังคุยเรื่องนี้อยู่เราพูดโดดไปเรื่องนี้โดดไปเรื่องนี้เนี่ยแป๊บเดียวแหละนักเม้าเนี่ ย, ย เสียฟอร์มหมดอะสิบเรื่องยี่บเรื่องแป๊บเดียวโดยไม่รู้สึกตัวนะไม่เชื่อลองดูก็ได้ฮะใครที่ชอบพูดมากเนี่ยเราไปพูดแ yeah ย่เปิดประเด็นหัวเรื่องนู้นะ่ะเดี๋ยวก็หลายตามแล้วถ้าไม่มีสติถ้ามีสติก็รู้ทันก็ไม่ไปต า, ามเพราะคนเราเดียชอบปรุงแต่งอยู่แล้วคนดินทาก็จะชอบหาคนดินทาคนพูดมากก็จะคบคนพูดมากคนปฏิบัติธรรมก็ชอบคบคนปฏิบัติธรรมขี้เมาก็ชอบคบขี้เมา ขี้าเขชอบคบขี้ยาเพราะมันจะมีท่าที่ดึงดูดกันนักบัณฑิตก็ชอบคบบัณฑิตเพราะบางทีคุยกัคนพาลคุยกันไม่รู้เรื่องคล้ายว่าคิดคนละอย่างทีก็อยู่ห่างๆะไรบ้างก็ดีคือคือพระพุทธเจ้าก็ตัดไว้ว่าอันดับแรกเลยคบคบัณฑิตอสีวนาจะพาลานางคนพาลแล้วก็ห่างๆเพราะคนพาลเนี่ยพาลงนรกพาไปสู่ความทุกข์นั้นพวกเราจะคบใครก็ ควรจะคบบัณฑิตการคบบัณฑิตคือการชี้ขุมทรัพย์ทําให้เราเนี่ยชีวิตเจริญรุ่งเรืองทุกน้อยลงพระรู้เจ้ามีได้พุทธพจน์ว่าเป็นศัตรูกับบัณฑิตดีกว่าเป็นมิตกับคนพานเมื่อคนไปอยู่คนพานเนี่ยเราก็ทำชั่วตามไปอยู่บัณฑิตแต่บางทีเราเราละอายใจเห็นท่านทําดีเห็นท่านอดทนปลดกัน้นใครๆเห็นปุ๊บเนี่ยบางทีเราก็รู้สําเนึกค้ารๆ เราไปอยู่กับคนที่อินทรีย์เหนือกว่าเนี่ยจะดึงช่วยดึงเราขึ้นมาแต่ถ้าไปอยู่กับคนอินทรีย์ต่ำกว่าเนี่ยจะดึงเราลงเลยเท่ากับคนจิตใจอ่อนแอนะการครบกัลยามิตรสิ่งแวดล้อมเนี่ยจึงมีจึ ม, จมีส่วนสําคัญมากทําให้เจริญรุ่งเรืองฉะั้นคนเราก็ควรครบกัลยามิตรแล้วการสามัคคีก็หมู่คณะก็สําคัญถ้าชุมชนใดมีความสามคัคคีชุมชนนั้นก็อยู่กันมีความสุขแล้วก็เจริญรุ่งเรืองเราไม่มาแข่งขันกัน ใครทำความดีแล้วก็สนับสนุนเต็มที่เลยเพราะองค์กรใดที่มีคนเก่งเยอะๆแล้วไม่อิจฉากันนะองค์กรนั้นก็จะเจอรุ่งเรืองซึ่งพี่กับองค์กรที่องค์กรนี้อ่ะเรามาพูดหนึ่งหมายถึงว่าอาจจะเป็นวัดเป็นบริษัทต่างๆเนี่ยคือเหมารวมก็แล้วกันถ้ามาเรามาแข่งขันกันอิจฉากันนะคนเก่งก็มีน้อยแล้วก็เป็นไปเพื่อความเสื่อมแต่ถ้าเราไม่อิจฉากันนะ เราสรรพูดได้คนเก่งขึ้นหรือใครมีความสามารถด้านใดแล้วก็ให้เขาช่วยด้านนั้นให้เกียรติซึ่งก็จะทำให้วัดหรือสถานที่นั้นเนี่ยสามารถพัฒนาได้เลยคือว่าคนเราจะมีความสามารถไม่เหมือนกันมีความสามารถให้แตกต่างกันเราเราสามารถใช้ความสามารถที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้วันนี้การทา ง, งานเราจะเห็นว่าคนเราเนี่ย จะเก่งไม่เหมือนกันแต่เรามาทำด้วยกันเนี่ยงานจ ะ, จะลาบลรื่อแล้วก็จะประสบความสำเร็จอนมาก็เห็นว่าพูดมาก็สมควรกับเวลาแล้วก็ขอความสุขความเจริญทารจงมีแก่ญาติโยมทุกท่าน